จริงๆทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลักสําคัญที่สุดคือการพ้นหรือออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งให้ได้มากที่สุดถ้าเราพ้นจากโลกความคิดปรุงแต่งมาได้อันนี้เป็นความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าเราไม่มีความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมันไม่มีทนะุกข์อ่ะมันจะสบายเราต้องใช้ชีวิตให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ ที่จะปฏิบัติทําเราต้องมีวินัยมากกว่านี้มันจะหลงสังเกตไหมล่ะเดี๋ยวก็เพลิเดี๋ยวก็เพลิใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปแบบมันจําเป็นมันจําเป็นเพราะว่าเมื่อเราจะทํางานชิ้นหนึ่งอ่ะแล้ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะทํางานชิ้นนี้ว่ามันจะมีสมาธิดีม่าเราจะทํางานชิ้นนี้อนี้เหมือนกันการทําทในรูปแบบคือว่าเราก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทํางานตรงนี้อันนี้เป็นงานเดินตรงๆรง มันก็จะคล้ายๆความ ล, ลึกของเราเมันจะแน่นหนาขึ้นว่าเออให้ช่วงนี้นะเราจะรู้สึกตัวช่วงนี้นะเราจะไม่ตามความคิดไปแล้วเราจะลองหันกลับไปดูใจเราบ่อยๆว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราโฟกัสมากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบมันเลยจําเป็นถ้าเราไม่ทํำในรูปแบบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสบายดีใช่ไหมที่ผมเคยบอกอะว่า เราลงมาทั้งชีวิตเ่ะแต่ว่าเราจะเอารู้สึกตัวไม่กี่ทีต่อมาแล้วเราเพราเราจะบรรุธรรมขี่โกงธรรมชาติมากเกินไปเหมือนเดิมดูพระพุทธเจ้าต้องมีวิริยะมากกวความเพียรมากที่จะเดินในทางนี้ฟูบาจารย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาออกบวชกันเข้าป่าทุดงอะไรว่าไป เพื่อแสวงหาแล้ววันนี้เราจะบอกว่าเราแครู้สึกตัวไม่กี่ทีแล้วเราก็าจะบรรลุธรรมันมันไม่ง่ายแบบนี้คือเราทำถูกเนี่ยเราต้องทำให้พอด้วยไม่ใช่ทําทำถูกอย่างเดียวเราทำให้พอด้วยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ผมบอกอย่างนี้พวกเราไม่เคยคิดเรื่องบอลดี้อันนี้มีผลที่จะเป็นช่วยเรา ถ้าเราค่อยๆลดละบอนดิ้งต่างๆรอบตัวเราเนี่นจะเป็นบา ร, รมีขึ้นมาจริงๆมันคือกําลังใจอะไรที่มันหนักแน่นขึ้นเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายลงจากพันธะต่างๆพอเราผ่อนคลายได้เราทําสิ่งที่มันทําได้ยากได้อ่ะอันนี้จิตใจเราก็สูงขึ้นอันทีสมมติว่าเราเซตเวลาได้เช้ากับก่อนนอน อ, อก่อนเช้าก่อนนอนแล้วเราทําตามเวลาเป๊ะๆที่เราเซตเอาไว้ได้เนี่ย เช่นสมมติจะตีสี่หรือตีสี่ึ่งก็ได้เราทาชั่วโมงหนึงก่อนนอนสามทุ่มเราจะทําเนี่ยแล้วเราต้องทําเวลานั้นทุกวันห้ามบิดพลิ้วอันนี้ห้านาทีสิบนาทีเรื่ไม่ได้ต้องเวลาที่แบบเนี้ยแล้วถึพี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า้จิตใจเรานี่แบบจะรู้สึกเองนียจะเป็นสงขึ้นเลยจริงจรมันคืนมีน้ําหนักมันมีกําลังมากขึ้นเรารู้สึกโอ้โหมันแน่นหนาขึ้น ใช้วินัยใช่นี้แหละใช้วินัยก็รู้สึกยากใช่ไหมปุ๊เวลาเป๊ะๆเลยเดี๋ยวอาบน้ําต้องรีบอาบนี่งะฮะเราก็ต้องมาทํามันนี้อย่างเงี้ยอชีวิตคนเราถ้ามันมีวินัยเนี่ยมันจะมีชีวิตชีวิตมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีวินัยเลยชีวิตเราเป็นไงลอยล่องลอยฟุฟ้องชีวิตเหมือนอะไรมันปาตายลอยไปตามกระแสน้ํามันก็เหมือนไม่มีชีวิตแต่ถ้าเรามีวินัยชีวิตจะเกิดขึ้น กำลังของชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะกําลังของจิตใจมันเพิ่มขึ้นอันนี้ยากแค้นี้เองนะวันละชั่วโมงเช้ากับเย็นแล้วถ้าเราทําสิ่งที่ยากกว่านั้นได้มันจะเป็นกําลังขนาดไหนเนี่ยเอาไหมนีเน่เก็ยบเทียบไม่ได้ตรงนี้เพราะงั้นเราต้องเริ่มเริ่มให้กําลังกับชีวิตตัวเองการที่เราไปเอ่อไม่ไม่ต้องทำเป็นรูปแบบหรอกหรือว่าทำสิบยี่สิบนาทีก็พอแล้วก็ ชิพิจายมัเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่เราไม่เคยรู้เลว้วเรากำลังทำตามกิเลสตัวเองอยู่เรากำลังพอใจกับการที่เรารู้สึกตัวชิพิจายันได้เออนี่มันรู้สึกตัวได้ไม่มีอะไรปกติมีความสุขดีมีความสุขดีแหละตัวอันตราเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังพอใจในความสุขนี้อยู่แต่ถ้าเรามีวินยัยเราจะรู้ว่าเรากังลังทาหน้าที่ ที่ไม่เกี่ยวกับเราจะชอบเราไม่ชอบเราพอใจหรือไม่พอใจแต่่ต้องทำถึงเวลานี้เราต้องทำเพราะนั่นมันจ ะ, ะมันจะประับสจากความพอใจไม่พอใจไม่พอใจก็ต้องทำพอใจก็ทำไปเราจะทำไปด้วยหน้าที่เราวินัยเพราะชีวิตเรามีหน้าที่เราวินัยชีวิตจะเจริญขึ้น mm hmm. เราไม่ต้องคิดว่าเราเป็นอนุบาล mm hmm. สิ่งที่ผมสอนทุกคนก็คือว่า การปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีขั้นมีตอนเลยเข้าถึงแันนี้นถึงเลยเราเพียงแต่ว่าอยู่ในนั้นอยู่ในอยู่ในกิริยาแบบนั้นเนี่ยให้มันบ่อยๆให้มันต่อเองแค่นั้นเองทุกคนต้องเริ่มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นปฏิบัติมาแล้วดีแล้วทุกคนเขาทาสิ่งเดียวกันก็คือว่าทุกคนต้องทําในรูปแบบโดยเฉพาะถ้าพี่ไม่ทําแล้ว อะไรที่ต้องทำสี่เวลาแล้วความคิดที่ที่มีปัญหาว่าที่จะหยุดมันจะหยุดมันเนี่ยเราไม่มีหน้าที่หยุดความคิดความคิดมีหน้าที่คิดของมันแต่เราจะต้องใช้ธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายช่วยให้การคิดเนี่ยมันหยุดเองอืที่ผมจะบอกว่าเราเดินจงกลมเนี่ใช่ไหมที่ผมบอกให้ทุกคนต้องหยุด ยืนเนี่ยทางเดินจงกรมนี่เรายืนสบายๆ ย, ยืนหยุดสบายๆหาย ใ, หใจเข้าหายใจออกสบายๆแล้วเรา ก, รก็รู้สึกรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี่ดูใจเราเป็นยังไงใจเราปกติหรือยังใจเราผ่อนคลายสบายปกติสงบระงับลงแล้วเราก็ค่อยเดินเดินไปเนี่ยถ้าที่ฟุ้งซ่านมากเวลาเดินเนี่ยให้ให้รู้สึกเท้ากระทบพื้นไว้ รู้สึกเฉยๆนะไม่ใช่ไปเพ่งมัเวลาเราเริ่มทางหัวจงกลมเนี่ยเรายืนแล้วเราก็คล้ายๆพูด ก, กับตัวเองก็ได้เดี๋ยวเราจะเดินจงกลมเนี่ยรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นบอกตัวเองเฉยๆแล้วออกเดินเนี่ยมันจะรู้เองไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องอะไรมันจะรู้เองคล้ายๆเราเตือนตัวเองไว้แล้วแต่ เดี๋ยวมันเดินก็ปึป๊บมันก็รู้สึกจะทุกขปไปไปเลยแต่เราไม่ไ ม, ไ, มไม่ลืมเนะื้ลืมตัวนี้ยังโว้มันเดินไม่ใช่ไปอยู่ที่นี่อย่างเดียวเออมันจะรู้สึกเองพอมันท้าเราทุกข์ปึบ๊บเดี๋ยวมันจะไปคิดละอันนี้มาอีกปึบปึ๊บมันกลับอันนี้มันไปคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะจะช่วยเราถ้าคิดมากถึงตรงกลางอันนี้หยุดกลางทางเดินนี้ให้หยุด หยุดนิยืนจุดหายใจเข้าออกสบายสบายรู้สึกตัวรู้ใจเป็นยังไงปกติก็รู้ปกติไม่ปกติก็รู้ไม่ปกติแค่นั้นไม่ได้ลองทำอะไรแล้วก็ออกเดินต่อไปถึงปลายทางหยุดเหมือนเดิมเหมือนที่เหยุดเมื่อกี้นี้หายใจเข้าออกสบายสบายรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็ ดูใจเราเป็นยังไงใใ จ, ใจิตใจปกติก็รู้ไม่ปกติก็รู้ไม่ต้องทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นเฉยทุกครั้งที่ร่างกายเราหยุดเนี่ยความคิดมันจะหยุดที่ผมบอกว่าความคิดหยุดวั่าะหยุดสังสารวัฏหยุดสังสารวัฏพังทลายทุกสิ่งหยุดแล้วเราก็จะได้สัมผัสความเป็นปกติของจิตใจที่มันราบเรียบเงียบเชียบ มันไม่มีอะไรความรู้สึกแบบนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักบ่อยๆพอเรารู้จักมันบ่อยๆเนี่ยที่ผมบอกเมื่อเราพาจิตใจให้รู้จักสิ่งที่ดีกว่ามันจะไม่หลงไปคิดเหมือนเดิมมีแล้วเพราะพระเมื่อไหร่ที่เราไปคิดจะทุกข์เลยพอเราเข้าไปคิดปุ๊บมันจะเบลอเลยมันเป็นเหมือนเมฆหมอกนี้อยู่บนหัวเราเลยมันจะเบลอเลยเมื่อเรารู้จักที่สะอาดกว่าแล้วเราจะไม่กลับไปที่สลัง เราจะไม่กลับไปที่สก ป, ปกเราเรารู้จักแล้วนีสาเหมือนกันจิตใจถ้าเราพามันรู้จักสภาพที่มันดีกว่าสภาพที่มันไม่ทุกข์อ่ะมันจะละทิ้งสภาพที่มันทุกข์เองเราไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นมันจะหยุดคิดได้ที่ต้องพามันรู้จักแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทันยังไงเรื่องสิ่งจะหยุดคิดเราเพียงแต่ว่าสร้างทางใหม่ให้มันรู้จักสิ่งใหม่มันก็ไม่เอาสิ่ ง, งนั้เนเองอัตโนมัต แต่เราอย่าไปดยุดคิดเราอย่าไปทําอะไรที่เราเพียงแต่สร้าง ส, างสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมรู้จักว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วจิตใจนี่มันดําเนินของมันเองเหมือนเราบอกสอนเด็กมันก็ให้ไปทางนี้ไปนั้นมันก็ไปตามมันไปเองเราไม่ใช่ว่าต้องไปจัดการอะแบบจิตใจก็แบบนั้นเองเราก็แค่สร้าง ส, างสิ่งแวดล้อมแค่นี้จบ ตอนเช้าตื่นได้ี่ยเช้าแล้วก็สิบโมงบ่ายสามก่อนนอนชั่วโมงก็ทำอย่างนี้ฟังคลิปผมไปด้วยใส่หูฟังไปนี่แหละแล้วก็เดินฟังแต่ไม่ต้องฟังก็ได้คือ <c oughs> ถ้าเรามีเสียงของของธรรมะอยู่เนี่ย เสียงนี้มันจะไม่พาไปฟุงชานจิตใจเราจะเป็นปกติอยู่เต็มที่จะคิดแค่เรื่องธรรมะแต่ไม่นานเสียงธรรมะนี้จะตบเราพวกเพื่อให้เรากลับมารู้สึกตัวเราลงไม่คิดแล้วมันจะช่วยเราอย่าอย่าไปคิดว่าเป็นอุปสรรคมันจะช่วยเราแต่ถ้าเราไม่ฟังเลยเราจะฟุง้งซ่านเลยก็ทำแบบนั้นสองอาทิตย์อนี้จะ ดีขึ้นจะเข้าใจได้มีวินัยก็เนี่ยแค่นี้แหละที่การปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากอะไรขอให้พวกเรามีวินัยมีหน้าที่รู้หน้าที่ของเราแล้วเดี๋ยวเรารู้จักเราพามารู้จักสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตใจที่เรียนรู้แล้วมันจะหล่อหลอมเข้ามาในชีวิตประวันเราเองมันจะค่อยๆหล่อหลอมเข้ามาเอง แ้เราจะไม่ลืมในทีสุจะไม่ลืมขณะที่เราเป็นปกติอยู่เนี่ยเราจะเห็นสภาพอะไรต่างๆเนี่ยผ่านมาผ่านไปนี่เป็นการเห็นจริงๆเป็นการเห็นที่ไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์นั้นด้วยเพราะจิตใจในพื้นฐานปกติเราจะเห็นสิ่งต่างๆผ่านมาผ่านไปเห็นมันตกอยู่ใต้กดไตรละได้จริงไม่ใช่คิด ทุกวันนี้ก็คนไปตามดูสภาวะมันอยากรู้สภาวะไปตามดูเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เห็นมันเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็บอกว่าเราเห็นอันนั้นเรียกว่าเป็นการคิดเห็นเราคิดตลอดว่าเรากำลังเห็นมันมีเราอยากจะเห็นตลอดเวลาแต่ถ้าเราแค่รู้สึกตัวรู้จักใจที่เป็นปกติ สภาพอะไรที่มันผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันเป็นการเห็นเองเห็นเฉยเฉเพราะนั้นการเห็นไตรลักษณ์มันเลยเป็นการเห็นจริงได้มันพื้นฐานสํำคัญที่สุดเยเราต้องรู้สึกตัวพ้ น, นออกจากโลกความคิดโรงแต่ที่ได้แล้วก็รู้จักใจที่มันเป็นปกตินี้สามอย่างนี้ก็จะทําให้ทุกอย่างพัฒนาไปพไปได้เองเราที่อย่าลืมหลักสามอย่างนี้แค่นะั้น ทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มตื่นขึ้นเราจะเริ่มตื่นขึ้นแต่เดี๋ยวเราก็จะเผลอหลับบ้างก็ไม่เป็นไรก็ต้องถิดก่อนบ้างมันถึงจะเข้าใจ คือถ้าเราฝึกให้เราจิตใจเราปกติให้มันตื่นอยู่ไงตื่นอยู่เนี่ยที่อบอกอะไรมันไม่ตัดสินอะไรตื่นอยู่มันก็มันรู้อะไรเป็นอะไรแต่มันไม่ไม่เป็นอะไรกับมันมันจะดีไม่ดีมันจะอะไรมันก็เราตื่นรู้อยู่เฉยๆไม่มีอะไรเพราะนั้นพวกเราทุกคนนี่ก็รู้จักสภาแบบนี้แล้วแต่เรารู้จักมันได้บ่อยข่นา น, นั้น เรามีเวลาจะรู้จักมันบ่อยขนาดไหนมีเวลาที่จะอยู่ในสภาพที่พ้นจากความคิดปรุงแต่ง ว, วันๆหนึ่งเนี่ยเรามีมากขนาดไหนอันนี้เป็นระยะทางที่เราจะต้องสะสมแต้มเรารู้จักของดีแล้วแต่เรามีโอกาสกินมันได้บ่อยขนาดไหนมันเลยจําเป็นว่าทําไมเราต้องมีชีวิตที่มีเวกสันโดนเราอยากจะพ้นทุกข์เราอยากจะบรรลุธรรม เราต้องต้องตุ้มเทเอ่ะเราต้องให้เวลากับมันเราจะรู้จักแบบนี้วันหนึงจะรู้จักกี่ทีจะนี้รู้จักชั่วโมงหนึ่งในยี่สี่ชั่วโมงแล้วเราก็บอกเราจะบรรลุธรรมหลวงพ่อเทียนมีสมัยก่อนนี่ถ้าเราไปดู youtube เนี่ยเราจะเห็นหลวงพ่อเทียนที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกอิริยาบทที่เปลี่ยนแปลงนอนเนี้ย ลุกขึ้นจะไปแปรงฟันพวกเราก็พูดไปเลยแปรงฟันใช่ไหมหลวงพ่อเทีก็อ่ะพลิกก่อนสองรอบยืนยืนขึ้นนะ่ะพวกเราก็าไปเลยใช่หมหลวงอเทียนกยืนอี้อีกอีกสองรอบอย่างเงี้ยไปตลอดไปตลอดสมมุติตั้งแต่ตีสามไปถึงสามทุ่มกี่ ช, 10, 10ชั่วโมงนั่นวันวนหนึ่งอ่ยเป็นสิบสิบชั่วโมงนะเนี่แต่ทุกวันนี้พวกเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมในชุดจําน เราจะรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเราปฏิบัติในรูปแบบนิดหน่อยวันละชั่วโมงแล้วเราก็จะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นมันจําเป็นมันจําเป็นว่าเราต้องมีเวลาให้กับให้กับสิ่งเนี้ยให้มันเติบโตขึ้นให้มันขยายตัวขึ้นในภายในของเรานี่ให้มันขยายตัวให้ความเป็นปกติเนี่ยเป็นพื้นฐานที่มันหนักแน่นความตื่นรู้นี่เป็นกิริยาที่เราไม่ลืมเลย มันหนีไม่พ้นมันต้องบรรลุธรรมเออมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ธรรมชาติจะต้องไปตามเหตุตามปัจจัยการบรรลุธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันมันไม่มีใครห้ามการบรรลุธรรมได้ถ้าเราทําถึงถึงแก่นของมัน เรื่องของดีนี่มันสอนง่ายแต่เรื่องของพ้นจากดีไปนั่นเข้าใจยากเรื่องของบุญสอนง่ายทำบุญสอนง่ายเรื่องของทำจิตใจให้บริสุทธิ์สอนายากเพราะอะไรทำบุญแล้วเราได้มันเลยสอนง่ายคนมันก็รับทำจิตใจให้บริสุทธิ์เฉยๆไม่ได้อะไรสอนายาก เราไม่ได้อะไรเรื่องของดีสอนง่ายเพราะมันมีตรงข้ามกับไม่ดีมันชัดมันรับได้แต่ให้มันเหนือดีเหนือชั่วเนี่ยมันสอนเข้าใจยากแต่ก็ จะให้ผมพูดเรื่องให้คนเป็นแค่คนดีพูดไม่ได้ต้องการให้คนพ้นทุกไม่ให้คนเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนพ้นทุกเราจะดีด้วยและเป็นดีจริงๆเพราะเป็นดีที่มีปัญญาแล้วแต่ดีในโลกเป็นดีที่แปรปลวน คนโน้นว่าดีไอโน้นว่าไม่ดีให้เราว่าดีอีกคนก็บอกไม่ดีมันเป็นความแปรปรวนมันไม่ใช่เรื่องจริงความดีแบบในโลกไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องของความคิดของคนเฉยๆ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนเราแบบนี้อยู่แล้งจริงๆแล้วเนื้อดีเนื้อชั่ว ไปพ้นจากของคู่สิ่งที่สอนง่ายมันคือความดีอ่ะคนมันบายหมดซื้อหมดใครเพียงดีนี่เป็นไอ้นั่นชั่วเลยแต่เราเข้าใจเราปฏิบัติไปจน ผนดีผลชั่วเนือดีเนือชั่วไม่ใช่เราไม่รู้จักดีมู้จักชั่วเรารู้ทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ทําชั่วด้วยใครถ้าเราไปเนือดีเนือชั่วชีวิตเราจะดำเนินไปบนพื้นฐานของปัญญาอยา่างเราจะดำเนินชีวิตไม่ใช่บนพื้นฐานของความคิดตรงแต่ ปัญญาจะเป็นคนพาชีวิตนี้ดำเนินไปเองพูดแล้วมันเป็นนามธรรมพอสมควรแต่ทุกคนต้องลองดูลองฝึกที่จะใช้ชีวิต ไปตามปัญญาในี่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราพอจะมีแสงสว่างแล้วทุกคนพอจะมีแสงสว่างบ้างแล้วเราต้องเชื่อในในในปัญญามากกว่าความคิดค่อยๆที่จะทําอะไรเนี่ยบนพื้นฐานของความเป็นปกติบนพื้นฐานของ ของปัญญาที่มันบอกเราว่าเราจะควรจะทำอะไรเราจะค่อยๆ ค, คุ้นชินกับการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของปัญญ า, าบนพื้นฐานของการที่ไม่ได้คิดและในที่สุดเราก็าจะเราจะรู้เลยว่าการตัดสินใจอะไรของเรา่าต่างถ้ามีความคิดเข้ามาเกี่ยวค้องเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ มันจะมีกิเลสเจือปนการตัดสินใจนะมันจะไม่พอดีถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความคิดฟุ้งซ่านเราเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมันน้อยลงไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแทนน็คือปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาแทน จะนำหน้านำหน้าความคิดเราก็เลยจะมีสปอร์ตไลท์ส่วนตัวที่จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรตอนนี้ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดินน้นรนช่วยหาอะไรทำแล่ว ม, มันจะดีทุอย่าง เราก็แพ้อย like ่างเดียวก็แพ้กรรมตัวเองชีวิตที่มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีกรรมมีกรรมต้องรับเหมอนกเราเคยทำผิดอะไรไว้เราก็ต้องรับกรรมนั่นเ่งแต่แค่เราไม่ทุกข์เฉยๆแต่คนเราถ้าฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการเจริญกุศลในตัวเองแหละจิตใจเต็มไปด้วยกุศล ใจิตใจที่ปกติเนี่ยเขาเรียกว่าใจิตใจที่มีศีลมีศีลนี่มันต้องเป็นกุศลอยู่แล้วจะพูดถึงสิ่งมองไม่เห็นหน่อยทเทวดาเนี่ยเขาบขาในหนังสือเ้าว่าเขาก็อยากเข้าใกล้คนมีศีลมีธรรมนะเคยได้ยินมีคนบอกว่ามนุษย์นี่เหม็นร้อยโยตพันโยต์เท ว, วดาไม่อยากเข้าใกล้หรอกเพราะว่าเหม็นอะไรไม่มีศีล แต่ถ้าจิตใจเราเป็นปกติอันนี้คือสีมตัวจริงเขาเรียกว่าสีปรมาสีพระอริยะนี่ เ, เป็นความเป็นปกติถ้าจิตใจเรามีสีจิตใจเป็นกุศลเราก็ไม่เหม็นแล้วเราทำทุกอย่างในโลกลหวังจะให้ชีวิตดีมันดีหรือยังนะถ้ายังไม่ดี อย่างที่เราต้องการสักทีนหรือมันดีแล้วมันก็ไม่ดีแล้วมันดีแล้วมันก็ไม่ดีอีกแล้วถ้าเรามาทาอย่างนี้อันนี้จะเป็นดีสมบูรณ์ดีที่สุดดีทุกอย่างรใช้ง่ายรู้สึกตัวไม่ตามความชิดไปันไม่ดูใจบ่อยบ่อยเป็นยางไง ปกติก็รู้ไม่ปกติก็รู้รู้อย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นไม่มีการเข้าไปจัดการอะไรทั้งนั้นมีแต่การรู้อย่างที่มันเป็นเฉยๆถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นนี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจภายในนี่มันหนักแน่นมันเป็นปกติเราเพียงแต่รู้เฉยๆนี่มันยากเลย ยากใช่ไหมส่วนเฉยเฉยไม่ค่อยได้เข้าไปร่วมด้วยอมันยากตรงนี้แหละแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ยากเหมือนคนขี่จักรยานนะแรกๆก็ลม้มลุกๆุกลกานหน่อยขี่เป็นแล้วมันก็สบายแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปได้ของมันถึงความเป็นเองเพอถึงความเป็นเองเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่มีการทําอะไร ไม่มีการจะทำอะไรเพื่อจะได้อะไรไม่มีการจัดการอะไรไม่มีการละอะไร ม, ไมีคีย์เวิร์ดไม่กี่คำไม่มีการทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นรู้เฉยๆเห็นเฉยๆบางทีเราชอบไปคิดว่า พระพุทธเจ้าสอนพระพาคิยะเธอจงเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเรานึกว่าอันนี้เป็นคําสอนอที่พระอรหันต์เท่านั้นทําได้เราทําได้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติไม่ใช่เป็นผลลัพ์เราต้องเริ่มที่จะปกติแล้วเราก็ อะไรผ่านมาผ่านไปเห็นเฉยๆได้นี่เรากำลังอยู่ในทานไม่ใช่เราบอกไาเป็นรอนั่งสมาธิก่อนวันหนึ่งเราจะเห็นเฉยๆได้ไม่ใช่ก้าวแรกคือเราต้องเห็นเฉยๆให้ได้แต่เราจะเห็นเฉยๆได้ไงจิตใจต้องปกติปกติได้ยังไงเราต้องรู้สึกตัวเราต้องไม่เข้าไปในโลกของความคิด วิธีการปฏิบัติทั้งหลายที่พูดอันนี้มันมันเป็นแค่คําแนะนําเพื่อให้เราเข้าไปถึงจุดที่เราจะจะเห็นเฉยๆได้คําพูดตั้งเยอะแยะเนี่ยมันขนาดเดียวเราก็เห็นเฉยๆแล้วอย่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราไม่อยู่ในโลกของความคิดปรุงแต่งจิตใจเราปกติอยู่เรามองอะไรไปเราก็เห็นเฉยๆแล้วพูดนี่เหมือนเยอะแต่จริงๆมันขนาดเดียวอ่าแช่นั้นเองเพราะนั้นเราเราถึงเลย ถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันถึงเลยแต่เพียงแต่ว่าถึงให้มันบ่อยๆถึงให้มันนานๆถึงแม้ทันต่อ น, นี่ถึงให้มันเป็นชีวิ ต, ตจิตใจของเราทุกวันทุกเวลาที่เร า, เรากำลังตื่นอยู่เดี๋ยวถ้าเราทําได้ความพ้นทุกมันหนีเราไปไม่ได้เพราะเราพ้นทุกแต่เราเข้าไปแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ขาดสบั้นอย่างนั้นเองเรามีหน้าที่จะอยู่ รู้แบบนี้จนมันขาดส บ, บัน้นพอมันขาดส บ, บัานมันก็ไม่ไม่กลับคืนไม่กลับคืนก็จบไม่กำเลิบอีกแล้วจบเทุกคนไม่ทำได้ส่วนใหญ่ไม่ทำแค่นี้ส่วนใหญ่ก็มีอย่างอื่นสำคัญกว่าตลอด บอลดิ้งที่เป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนแม่สีขาวที่มันมันก็ดูเหมือนดีอ่ะแล้วนเป็บอนดิ้งที่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยแต่มันเบลอมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันมืดหมัวมันขมุกขมัวมันไม่ชัดมันมันยังไงม่รเหนียวเนื้อตัวอะไรสังเกตไหมล่ะเมื่อก่อนเรามีบอนดิ้งที่เยอะๆมากๆเนี่ย เราก็ทุกเยอะใช่ไหมเราเป็นทุกเยอะกับบอนดิ้งเหล่านั้นแต่พอเราปฏิบัติธรรมเราเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นบอนดิ้งพันธะเราน้อยลงเราก็สบายขึ้นใช่ไหมเราเริ่มไม่เป็นจริงเป็นจังกับพันธะเหล่านั้นใช่ปล่อยวางมากขึ้นเราก็สบายขึ้นเราออกไปจากที่บ้านไปทํางานไปอะไรเราก็รู้สึกสบายขึ้นอีกใช่ไหมอิสระขึ้นไม่ค่อยอยากกลับบ้านเท่าไหร่เออเราสึกอิสระขึ้น พอเราได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้ไปอยู่กับกัลยาณมิตรได้อยู่วัดอยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมสบายขึ้นอิกเรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นมันมีสบายกว่านั้นอีกมันมีอิสระเราได้สัมผัสคําอิสระขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วเราก็จะได้สัมผัสอิสระที่แท้จริงในที่สุดนี้แต่เนี่ยมันเป็นแบบนี้ชีวิตของทุกคนมันต้องเปลี่ยนผ่านต้องค่อยๆเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านไปเรื่อย ๆ, ๆ ในความจริงสูงสุดอันนี้ไม่มีเมตตาเป็นความว่างเฉยที่พูดตั้งแต่แรกว่าเราเข้าถึงสภาพรู้ตื่นเบิกบานในสภาพรู้ตื่นเบิกบานไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากกว่านี้ทําไมเราต้องเมตตาเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนดีเราคึกว่าเราอยากจะต้องช่วยเขาอะไรก็ตาม ท, ที่เราที่เราจะ คิดของเราแต่ความจริงสูงสุดนี่มันเป็นความว่างมันเป็นสุญญาตาในนั้นไม่มีอะไรในสุญญาตาไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่ในนั้นตรงนั้นจะพูดแบบนี้ก็ได้หรือจะพูดว่าในสุญญาตาก็เต็มไปได้วยคุณธรรมทั้งหมดก็ได้อีกพูดได้สองแบบเลยแต่ความเต็มด้วยคุณธรรมแบบนั้นมันไม่ใช่มีใครเข้าไปเข้าไปมีคุณธรรมนั้น เหมือนที่พูดกับทุกคนนี้เมตตาไหมในฐานะคนพูดอันนี้คือเป็นทําหน้าที่เฉยๆไม่ได้เมตตาเลยไม่ได้มีความเมตตาแค่รู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะบอกความจริงให้ทุกคนฟังบอกความจริงให้ทุกคนต้องรู้ความจริงสูงสุดไม่ให้ติดกับอะไรทั้งนั้นแม้ว่าสิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเลอแค่ไหนก็ตาม ในตอนที่เราตัดสินใจแบบนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่มีเมตตาเพราะเรารู้สึกแบบนั้นไงมันเลยเป็นสิ่งที่ยากแต่เราต้องทำเพราะว่าเมื่อเราทำปุ๊บเราจะกระโดดดึงไปสู่จุดหนึ่งแล้วเา่านกับมวังเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันนี้ถูกแล้วเพราะเราต้องไปที่ที่มันดีกว่าแต่การจะ กระโดดข้ามจากคนดีไปสู่คนที่มีปัญญามันไม่ใช่เรื่องง่ายเรากลังจะให้ปุถุชน <c oughs> คนหนาที่เลยคนหนึ่งกลายเป็นอริยะชนขึ้นมานไม่ง่ายเราจะบอกว่าเฮ้ย hey, เดินไปสามก้าวว่าถึงแล้วมันไม่ง่ายแบบนั้นเวลาเราทําธุรกิจเราทําอะไรเราต่อสู้อะไรมาั้งแต่เด ก, เ, ดกเรียนหนังสือลำบากจะตายใช่ไหมว่าเราจะ ส, ะสะร้างสติแตกหนึ่งขึ้นมา ว่าเราจะได้ปริญญามากว่าเราจะมีกิจการใหญ่โตมาสู้มาแทบเลือดตาแทบกระเด็ดที่จะได้มาแล้ววันนี้เราบอกว่าเราจะเป็นอริยชนไน้มันไม่ใช่ง่ายเราจะเอาทุกอย่างไปด้วยไม่ได้เราจะเอาทุกอย่างที่เราเชื่อไปด้วยไม่ได้เราแค่จะไปถึงความจริงเฉยๆเราแค่จะไปถึงความจริงเราไม่ต้องเอาความเป็นคนดีไปด้วย เราต้องทิ้งมันเหมือนกันเราต้องทิ้งความเป็นคนดีเราคิดว่าคนที่เป็นอริยะนี่มีเมตตาแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นอริยะว่างเฉยๆแล้วก็ทำหน้าที่ตามสมควรที่ต้องทาไม่ได้มีอะไรในนั้นไม่มีอะไรมากขลย น, นเมตตาเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้เฉยๆทุกคนรู้สึกเฉยๆว่าภูบาจารย์มีเมตตา มันเป็นพลังงานที่เราเอาไปแปลทีนึงนึกออกไมแต่ถ้าเราลองรู้เฉยๆดเรารับรู้สภาพว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้เฉยๆสภาพในห้องนี้เป็นปกติดิเฉยๆมันก็จะไม่มีอะไรเพราะคนในโลกจะบอกเราไม่เมตตาเราเป็นคนไม่ดีก็ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องในโลกเราจะไปเห่นเอโลก เราจะไปเหนือโลกนี่ต้องทิ้งของในโลกเหมือนการออกอากาศจะทะลุไปออกากาศได้มั้ยมันต้องปล่อยตั้งเหยียดนะถอดไอ้นู่นทิ้งถอดไอ้นี่ทิ้งถอดไอ้นั่นทิ้งถึงจะหลุดไปบนอากาศได้มั้ยมันหนักเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างงี้เรียกว่าหนักถ้ามันหนักอยู่มันไปไม่ได้มันก็แบกและแบกมันก็จะไปด้วยแบกมันจะไปด้วยอย่างเนี้ย แต่วันนึงพอเราแบกจนเหนื่อยสุดท้ายเราทิ้งเหมือนกันไม่เอาแล้วเว้ยมันก็เห็นคนเดินทางไกลใช่ไหมเดินทางไกลมันเตรียมใหญ่เลยนะแบกเป้แบ ก, แบกของกินแบกนู่นนี่นั่นแบกถึงแม้เราเดินมันเหนื่อยอะน้ํำขวดใหญ่จะเป็นจําเป็นก่อกันแต่ต้องทว่าเดินไม่ไหวอย่างนี้ออ้สุดท้ายมันจะความทุกข์มันจะเปียกคั้นเราเอง เราก็ต้องทิ้งอยู่ดีทิ้งอยู่ดีเราถึงจะหลุดขึ้นไปได้ทางสายกลางนี่เป็นความพอดีเราหยิบใช้ต่งงางหากเราหยิบใช้แต่ บ, บางคนมาถามธรรมะอย่างนี้เราไม่ตอบก็มีบอกฟอุ้งซ่าน เบางที่ต้องดูด้วยแต่ก็ไม่เมตตาเหมือนกันแต่มันพอดีกับเขามีเขาหยุดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้เลยนี่ยจำเป็นถ้าเราบอกให้เราเป็นคนครูบาอาจารย์เราต้องมีเมตตาตลอดก็ต้องสอนทุกอย่างพูดทุกอย่างพูดทุกอย่างมันไม่ใช่ความพอดีแต่ในขณะที่เราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจิตใจเราปกติจิตใจมันว่าง มันจะหยิบใช้อะไรก็ได้เช่นว่ า, ากับคนนี้เราต้องเมตตาเราก็หยิบความเมตตาเราไม่ได้หยิบตรงพดีแล้วมันมีเองมันใช้ถือว่าเป็นเครื่องมือแล้วกันเป็นหยิบใช้เองตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคลเฉยเลยบอกไงว่าจะว่ามันมีก็ได้ว่ามันไม่มีก็ได้มันพูดไม่ถูกเพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าเราแบกความดีแบกบคุณธรรมไปไม่ใช่ เราทิ้งทุกอย่างตั้งหะแล้วสุดท้ายเราจะมีทุกอย่างสมบูรณ์เป็นสมบูรณ์ในความพอดีด้วยเราอย่าเพิ่งรีบเอาทิ้งก่อนทิ้งทุกอย่างได้ทุกอย่างได้หมดทุยสมบูรณ์ที่สุดแต่แเราต้องกาต้องกล้าที่จะทิ้งก่อน ปัญหาความอยากของมนุษย์เราไม่เคยมีที่สิ้นสุดเขาเทียบกับว่าไม่เคยเต็มไม่เคยเต็มเลยมีตลอดเราอยากมีประสบการณ์ไปนี่ก่อนไปนั่นก่อนไปทํานี่ไปทํานี่ก่อนปัญหาคืออะไรเราอยากมีประสบการณ์เราอยากนะวันนี้เราอยากอันนี้ใช่ไหมวันหน้าเราอยากอันอื่นดิ วันนู้นเราก็อยากกันอยากไปเรื่อยๆมันนี้เรื่องให้เราอยากตลอดเลยเรามีประสบการณ์แต่ว่าความอยากเราเนี่ยมันไม่มีวันหมดเราทําบันนี้แล้วก็อยากจะพยานามต่อแล้อยากพยายามต่อเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเราไม่ไปทําแล้วเราจะติดอยู่ในใจไหมอะไรเราไม่ได้ติดสิ่งที่เราไม่ได้ไปทำหรือที่เราติดก็ ค, คือความอยากของตัวเองทุกเรื่องทุกเรื่อง และถึงแม้ว่าเราไปทำแล้วเรามีความอยากเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องอแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะที่เราบอกว่าเออเราจ ะ, no <laughs> จะ no doubt สักทีนึง่งเมื่อไหร่จะ no doubt สักทีหการไปทำแบบนั้นมันอาจจะคลายความอยากเราได้เหมือนขั้ันดีเหมือนกันแต่เรารู้ใช่ไหมว่าความอยากนี้ไม่หมดมันจะมีอีกแต่ถ้าเราไปบวช เราไปปฏิบัติธรรมมันมีวันหมดมันมีวันที่ทุกสิ่งมันจบได้แต่ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งไม่จบก็ไปเรื่อยๆคลายอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เกิดใหม่คลายอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เกิดใหม่คลายอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เกิดคนส่วนใหญ่ที่สนใจธรรมะได้เป็นคนที่เขา เขประสบความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตแล้วแล้วเขาเขาต้องการความสุขมากกว่าเนี้ยเขาความสุขที่มีอยู่อันนี้ยไม่พอมันน่าเบื่อมันมันน่าจะมีอะไรดีกว่าเนี้ยมันก็เลยเริ่มใฝ่หาทางอะไรจิตวิญญาณพอจิตวิญญาณมันมาถูกทางเจอพระเจ้ามันก็เลยพอดีตอบโจทย์ก็เลยไปทําทางนี้แต่ว่าในระหว่างทำํำบางอย่างไหมก็อยากเหมือนกั น, นก็ยังอยากอยา ก, อยากนู่นอยากนี่ แต่ด้วยหลักที่มันมั่นคงแล้วอะ่ะว่าชีวิตคืออันนี้มันก็ไม่ไปหรอกมันมาลบ ก, กวนแต่เราไม่ไปแต่เราไม่ไปเพราะเรารู้ว่านี่เป็นชีวิตเราชีวิตของเราอันนี้ก็จะไปอันนี้ความอยากอันนี้เป็นต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราไปไหนไม่ได้ที่ทำให้เรามีเงื่อนไขมากมายในชีวิต